อรหโตสัมมาสัมพุทธสามมาตามิตังสกเกขะเรติอีนบัตนณีอัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา ในมาตุคุณกถาพนานาถึงพระคุณของมารดาประรบในมงคลสมัยวันที่1ิบสองสิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ท่านทลายคำว่าแม่เป็นคำสั้นๆศักดิ์สิทธิ์พยางค์เดียวแต่มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็กินใจคำว่าแม่แค่ฟังยังสุดซึ้ง สุดรำพึงถึงคำกล่าวสาวคำเขียนแม้จะมีหลักสูตรใดให้ได้เรียนหาคำเขียนเปรียบคำแม่แท้ไม่มีแม่จึงเป็นคำสั้นๆคำเดียวที่ลูกทุกคนพูดได้ และดวงหน้าแรกที่ลูกเกิดมาได้เห็นก็คือหน้าแม่เพราะฉะนั้นเมื่อวันแม่มาถึงจึงได้นำเรื่องนี้มาประรพต่อท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการเสริมธรรมและก็เสริมปัญญา อีกประการหนึ่งท่านทลายที่ได้มาสดับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมัศวนาะที่วัดปรีระวงสาวาตโดยเฉพาะในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ส่วนพ่อมีบ้างแต่วันนี้ปรารบเนื่องในวันแม่ ท่านที่เป็นพ่อก็อย่าพึ่งน้อยใจเอาไว้วันพ่อมีโอกาสค่อยมาเทศเรื่องพ่อแต่คราวนี้เรื่องแม่ก็เทศเรื่องแม่ก่อนก็แล้วกันคำว่าแม่แปลได้หลายความหมายแปลว่าผู้เป็นใหญ่ก็ได้แปลว่าผู้มีใจอันเสมอก็ได้ คิวแม่แปลว่าผู้มีใจอันเสมอหมายความว่ารักลูกเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เด็กใครความรักนั้นรักสุดสวาดขาดใจตายแทนลูกได้จึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มาก อีกประการหนึ่งแม่แปลว่าผู้เป็นใหญ่อะไรก็ตามที่มีอนุภาพมากๆ ม, มีพลังมากๆท่านจะเอาคำว่าแม่ไปนำหน้าเราทุกท่านทุกคนได้ยินได้คุ้นหรือได้สัมผัส กับขับนี้อยู่เนืองเนีงแม่ของลูกเรียกว่าแม่บังเกิดเกล้าแม่ของขี้เมาเรียกว่าแม่โงแม่ของชาวพระกระโหนง่งเรียกว่าแม่นาแม่ของชายที่รักเรียกว่าแม่ทูลหัว แม่ของคุณตัวเรียกว่าแม่เล้วขอภัยอันนี้เสริมเข้ามาแม่ของทหารเราเรียกว่าแม่ทัพแม่ที่ชอบทํากับข้าวเรียกว่าแม่ครัวแม่ของนักก่อสร้างเรียกว่าแม่แบบแม่ที่ดาเจ็บแสบคือแม่ค้า ไม่อย่างนั้นเขาไม่บอกว่าปาบแม่คาแม่ที่สอนศิลปะวิทยาเรียกว่าแม่พิมพแม่ที่เลี้ยงเราจนอิ่มเรียกว่าแม่โพศคือข้าวแม่ที่น็อกด้วยศอกเข่าจนคู่ต่อสู้สลบเรียกว่าแม่ไม้มวยไทยแม่ให้ลูกได้อาศัย คือแม่ธรณีพระสุธาที่เราได้อาศัยคือแม่พระธรณีแม่ที่ให้เราได้ดื่มได้ชาระกายีเรียกว่าแม่น้ำหรือแม่คงคาแต่ทําแม่ที่ทำให้เราใจผวากลายเป็นคำอุทานบอกแม่เจ้าโว้ยเนี่ยีแสดงว่าแม่นี่มี ส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากท่านทหลายนานาอาร ย, ารยาประเทศทั่วโลกนิยมเรียกแม่ด้วยอักษรหมอกเกือกจบจะทุกชาติเช่นไทยเรียกแม่ว่าแม่จีนเรียกแม่ว่ามามา อังกฤษ เ, กงเษเรียกแม่ว่ามาเธอฝรั่งเศสเรียกแม่ว่ามาแมแขกเรียกแม่ว่ามามีบาลีเรียกแม่ว่ามาตาสันสกฤตเรียกแม่ว่ามาดายาวีหรือมาเลเซียเรียกแม่ว่ามะส่วนพ่อเรียกว่ามอ นี่กจะรู้มากไปหน่อยทีนี้ในเรื่องนี้ในโสนนันทชาดกท่านโสนนันทบัดิตบรมโพธิสัตว์คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศถึงบทบาทหรือพระคุณของ มารดาเอาไว้มากบทบาทของมารดานั้นท่านแสดงไว้หลายสถานเช่นเรียกแม่วาสุหธาแปลว่าผู้มีใจดีใจงามใจสะอาดมีความปรารถนาดีต่อลูกในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ เรียกแม่ว่าชนะยันตีชนะตีชนนีหรือชนะกาแปลว่าผู้ประคับประคองคันหรือผู้ให้กำเนิดหรือผู้เป็นแดนเกิดแก่ลูกเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าแม่สู้อุ้มท้องประคองคัน แม่ต้องทรมานทุกยากนักหนาเฝ้าอุ้มอุทธรทุกร้อนกายาแม่ต้องทรมามาถึงเก้าเดือนปลายก่อนเคยเป็นสุขสนุกเที่ยวเตรละครลิเกบ้านเหนือบ้านใต้รำวงลำตัดไม่ว่านัดไหนแม่เป็นต้องไปหาความสำราญ แต่พอลูกรักมาปฏิสนแม่ต้องอดทนอยู่โยงเฝ้าบ้านสละความสุขเพื่อลูกในคันต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านเลยอดดูยิเก อ, อกเอย๋ย อ, อกแม่เฝ้าแต่ถนอมเตเรียมเพลงไว้กล่อมโอระช้าอราเห หมหมอนเตรียมพร้อมเผ่าอ้อมสายเปรมิได้รวนเรแม่คอยลูกอยู่ทุกวันพอท่วนกำหนดทดสมาศกรรมััชวาดก็มาพาดผันแสนเจนวงเน็บแม่จุกเจ็บในคันดุดใจแม่นั้นจะขาดรอนแม่ดินรนไปมาช่างหน้าอนาถ กายแม่แทบจะขาดลงไปเป็นท่อนๆ อ, อุตส่าอดทนมิได้อาทรกว่าจะรอดสันดอนได้มาเป็นตัวแม่แทบหมดหวังชีวังแม่แทบวอดบุญแล้วที่ได้รอดไม่เห็นแสงตะวันจันทรที่จอนกลางแจ้งโอ้พ่อหนูแดงของแม่ชื่นใจ อุ้มท้องประคองคันมาถึงเก้าเดือนปลายดีเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าแม่เป็นชนะยันตีเป็นชนะตีเป็นชนนีหรือเป็นชนะกาเรียกแม่ว่าโปรเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดู หรือผู้พ่อเลี้ยงเมื่อลูกได้เกิดมาแม่ก็ชูชชกอุปถัมภ์และที่เรียกว่าพ่อเลี้ยงเลี้ยงก็คือให้ข้าวน้ำพ่อหมายความว่าพ่อพูณด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาเรียกแม่วัตโตเซนตีแปลว่าผู้ปลอบประโลมลูกอุ้มแนบแอบอกยามลูกตกใจกลัวแม่ก็เป็นผู้ปลอบให้ลูกหายตกหายหายตกใจหายกลัวท่านจึงบอกว่ายามทารกตกใจร้องให้จ้า แม่จะมากกกล่มหอมเกสีให้ดื่มนมสมนามโตเสนตีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจเรียกแม่ว่าโคเปนตีหมายถึงผู้ปกป้องผู้คุ้มครองผู้พิทักษรักษาให้ลูกได้พ้นโพยัย เรียกแม่ว่าวิหันญติแปลว่าผู้มีความร้อนใจเป็นอารมณ์แม่นั้นเฝ้าห่วงใหญ่เอาใจใส่ใกล้ชิดลูกเกรงลูกจะพลาดหวาดกลัวลูกจะผิดจึงใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลายามใดที่ลูกเจ็บไข้เด็กป่วย คนที่เจ็บป่วยยิ่งกว่าลูกก็คือแม่ดังที่ท่านบอกว่าเมื่อเจ้าไข้ไร้สุขแม่ก็ทุกข์อาทรอดตาหลับขับตานอนเฝ้าพยาบาลรักษายาหมดหมอร้องขอค่ายาก็ดิ้นรนไฟหาจนหน้าแดงหน้าดำบางครั้งทรัพย์สินเงินสดก็หมดสิ้น อีกจะกินก็ไม่มีเสียซ้ำต้องเอาไร่เอานาไปเที่ยวเร่จำนำหวังให้รูปงามของแม่รอดตายนี่แหละท่านถลายมีความห่วงใยมีความร้อนใจเป็นอารมณ์ถ้าลูกอยู่ร้อนนอนทุกข์แม่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่สุขเย็นใจได้ ยามใดที่ลูกจะไปสถานย่านใดก็ตามยิ่งไกลเท่าไรก็ยิ่งห่วงกังวลมากเท่านั้นเช่นสมมติว่าลูกรับราชการถ้าทางการมีคำสั่งให้ลูกไปรับราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเท่านี้ แม่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความรักความห่วงใยเกรงว่าลูกจะไม่ได้รับความปลอดภัยเมื่อห้ามไม่ได้แม่ก็หันหน้าเข้าหาพระหาเจ้าเทพาอารักษ์วิงวอนอ้อนวอนขอช่วยปกปักรักษาลูกพ่อยอดดวงใจจะไปไหนสักนิด ใจแม่หรือก็ติดตามรักษาจะล้มตัวลงนอนยังไหววอนเทวาให้พิทักษ์ลูกยาได้พ้นโปยภัยนี่แหละท่านทลายความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกเรียกแม่วัาโทฮรินีแปลว่าผู้มีหะไทยสองเมื่อลูก มาปฏิสนธิอยู่ในคันลูกจเจริญเติบโตขึ้นมาในร่างกายมีอีกชีวิตหนึ่งอีกวิญญาณหนึ่งจึงเรียกว่าผู้มีหะไทยสองเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าแม่แพ้ท้องคำว่าแม่แพ้ท้องจริงๆแม่ไม่ได้แพ้ท้อง แต่แพ้ลูกที่อยู่ในท้องแพ้ลูกที่เกิดมาเพราะเวลาแพ้ท้องก็บรรดาให้อยากทานอย่างนั้นอยากทานอย่างนี้และอาการแพ้ท้องก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าลูกที่เกิดมานั้นมาจากไหนดังที่ท่านบอกว่าถ้าแพ้ท้อง อยากจะกินดินแสดงบรรลูกมาจากพรหมอยากกินกล้วยกินส้มมาจากป่าบางท่านแพ้ท้องอยากกินกินของหวานหวานเช่น ก, กินน้ำตาลอยากจะกินของแปลก บางคนอยากกินกล้วยแขกจนน้ำไหลไหลบางท่านแพ้ท้องอยากจะลองเล่นไพ่นั่งเล่นอยู่ได้สามวันสามคืนก็มีอันนี้เป็นเรื่องของแพ้ท้องเรียกแม่ว่าโคปิกาแปลว่าผู้สแสวงหาทรัพย์ไว้ให้ลูกกินลูกใช้ลูกเกิดมาลูกจเจริญวัยจะได้เม่ลำบาก มีอะไรอะไรทัดบาเทียมยไหลเมตต่ำต้อยน้อยหน้าผู้คนในสังคมแม่ก็จึงเป็นผู้แสวงหาเรียกแม่วสิขาปิกาแปลว่าผู้ให้ศิละปะวิทยาแม่จึงเป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกที่สอนศินละปะทุกอย่างข้อนี้ท่านทลาย ครูอาจารย์ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยตามสถานการศึกษานั้นเขาสอนเฉพาะวิชาสอนเป็นเวลาสอนแล้วได้ค่าวิชาหรือค่าสอนแต่ว่าอาจารย์แม่ สอนสารพัดวิชาตั้งแต่การกินการนอนการนั่งการเดินการขับทายสารพัดอย่างแล้วสอนไม่เป็นเวลาแล้วแต่โอกาสบางครั้งก็ในวงข้าวแม้แต่ในที่นอนหมอนมุ้งก็สอนแล้วก็สอนแล้วไม่ได้ข่าวิชา ตระงกันข้ามลูกแบมือเมื่อไรเออยปากเมื่อไรแม่ก็ต้องควักให้ไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องไปนี่แหละท่านทลายสิกขาปิกาผู้ให้ศิลปะวิทยาเพราะฉะนั้นแม่จึงมีความสำคัญมากในฐานะเป็นทิศเบื้องหน้าเป็นบุคคลหาได้ยาก เป็นปุพภการีเป็นปูชนียบุคคลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องแม่ไว้ว่ามาตามิตรตังสเกคเรมารดาเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นครูอาจารย์ประจำชีวิต และเป็นพรหมลิกิตชีวิตของลูกท่านโสนะนันทบัดิตบรมโพธิสัตว์ได้ยกย่องบิดาและมารดาคู่กันเอาไว้ว่าพระ ม, มาติมาตาปิตาโรปุพาจริยาติวุจารีอหุนนายาจะปุตตานังประชายะอนุกรัรมปากา แปรถอดความว่าพ่อแม่เป็นพระมจตุรพักพิทักษ์ลูกท่านสอนให้รู้ผิดรู้ถูกเป็นครูใหญ่พ่อแม่เป็นพระอระหันต์ทองคำผ่องอัมภัยพ่อแม่เป็นผู้ให้ให้ให้ใครมิบานคำว่าให้ให้ให้แสดงว่าให้มาก มากชนิดที่ไม่มีใครในโลกนี้จะให้ได้มากเท่าคนอื่นจะให้อะไรแก่เราก็ให้ได้แต่สมบัติภายนอกเช่นเสื้อผ้าอาหารของกินเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยแต่ยอดของทรัพย์ยอดของสมบัติคือชีวิตเลือดเนื้อสังขารร่างกายไม่มีใครให้ได้นอกจากเจ้าประคุณพ่อเจ้าประคุณแม่เท่านั้น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณประเสริฐได้พระราชทานความหมายคาว่าแม่อไว้ว่าแม่คือพระองค์แรกผู้แสนดีในชีวิตแม่คือครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาแม่คือหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเองท่านทลายแม่มีบทบาทสำคัญสุดที่จะพนานาดังนี้ท่านจึงมีพระคุณแก่เราทุกท่านทุกคนมากอันพระคุณของแม่มีแก่บุตรจะเปรียบดุดสิ่งใดก็ไม่สม สุจจะสรรพนานาด้วยคารมเอกอุดมเหลือตราคู่นานันโบราณบอกว่าจเจ้าโลกทั้งโลกมาแทนปากกาเอาท้องนับพามาแทนกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทมาแทนหมึกวาดเอามาจดจานจารึกพระคุณท่านนั้นเป็นอันไม่พอเป็นเครื่องยืนยันว่าพระคุณท่านนั้น ยิ่งใหญ่และก็มากมายสุดที่จะพรรณน า, นาโอ้พระคุณใครเล่าจะเท่าแม่พระคุณแน่เหนือใครไปทุกสิ่งโลกนึกเทียบเปรียบสิ่งใดไม่ได้จริงช่างยากยิ่งใหญ่แสนจะแทนคุณเพราะฉะนั้น พระคุณของท่านจะพันนาไปตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เพื่อจะย่นย่อให้เหมาะแก่โอกาสและเวลาพระคุณของแม่สามารถประมวลลงได้ในปริศนาธรรมบทหนึ่งที่โบราณท่านผูกไว้สอนลูกสอนหลานว่าใครหนออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พัก รักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นแล้วก็ตายแทนเราได้อุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ผู้นั้นก็คือแม่อตมาไม่ทราบว่า ญาติโยมที่ฟังเทศอยู่ขณะนี้มีท่านใดที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เป็นร่มโพร่มใสรในครอบครัวอยู่บ้างมีมโยมมีอยู่สี่ท่านห้าท่านหกท่านนอกนั้นแม่ตายหมดแล้วที่ถามนี้ ก็เนื่องจากว่าทุกท่านอยู่ในฐานะแม่แล้วทั้งนั้นและถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะยิ่งทำให้ประจักษ์ในพระคุณของท่านมากยิ่งขึ้นอาตมาจะทวนว่าใครหนออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิก เบิกไม่คิดผิดไม่แคขนตายแทนเราได้ผู้นั้นก็คือแม่ญาติโยมจำแล้วก็เอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปได้เอาเพื่อให้ญาติโยมจำได้ว่าตามใครหนออุ้มไม่หนัก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 ผิดไม่แคนตายแทนเราได้ผู้นั้นคือแม่ใครหนออุ้มไม่นักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แคนตายแทนเราได้ เพราะฉะนั้นเพระนาะฉะนั้นท่านท่านหลายต่อแต่นี้ไปว่าเอาเองจำได้อย่างละก็พระนำมาหลายเที่ยวต่อไปโยมต้องว่าเอาเอง โอ้โหสามารถขี่กันดีมากเอาอย่างนี้อย่าต่างคนต่างว่าเอาเดียวว่าที่ละข้อใครหนอเอาไปแล้วไปแล้วไปไหนอ้อมไม่นัก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 บอกให้รู้ว่าพระคุณทุกประการอยู่ในนี้อุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ทั้งหมดทุกประการเมื่อประมวลก็จะอยู่ในห้าโสต่อไปนี้โสที่หนึ่งแม่เป็นผู้สร้าง สอที่สองแม่เป็นผู้สอนสอที่สามแม่เป็นผู้ทรงสอที่สี่แม่เป็นผู้เสริมสอที่ห้าแม่เป็นผู้เสียจึงทำให้ลูกได้ประสบพบกับสอที่หกคือส่องแสงสร้างหมายความว่าบันดาลให้เราท่านถลายได้เกิดมา สอนให้รู้จักการดำเนินชีวิตรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไรที่ลูกจะสูงท่านก็ส่งอะไรที่ลูกขาดตกบกพร่องท่านก็เสริมหรือเติมให้เต็มและที่ว่าเสียคือเสียสละทุกสิ่งทุกประการ ลงทุนให้แก่ลูกเพื่อให้ลูกทุกคนได้ส่องแสงเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะดูว่าแม่มีพระคุณยิ่งใหญ่เพียงใดจึงไม่ต้องไปดูอื่นไกลและจะดูที่ไหนหนึ่งดูที่ความรักสองดูที่ความห่วงใยและสดูที่ความเสียสละ สามประการนี้เราก็จะประจักษ์ในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านรักอะไรหรือจะแท้เท่าแม่รักผูกสมัครสายเลือดไม่เหือดหายรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักกายจืดจางง่ายไม่จีรังดังมารดาตั้งแต่เล็กอุปถัมภ์คำชูลูก ให้เป็นสุขถ น, นอมนักเลี้ยงรักษายามกินแม่ก็ป้อนพ่ชนายามนิทรากล่อมเหตุใส่เปรใไว้ยามเจ็บไข้า ย, ยากเย็นแม่เป็นทุกข์ลูกมีสุขแม่จึงปลื้มลืมทุกข์ได้รักลูกแสนแหนหัวงดังดวงใจถึงตีด่าก็เพื่อให้ลูกได้ดี คนอื่นตีก็อาจจะตีให้ตายก็ได้แต่แม่ตีลูกตีเพื่อให้โตตีเพื่อให้จําตีเพื่อให้ดีให้งามทั้งนั้นแล้วห่วงใยก็ห่วงใยตลอดดังที่ได้กล่าวในเบื้องตน้นในด้านความเสียสละก็เช่นเดียวกันคนที่ขนาดยอมตายแทนลูกได้จึงไม่ต้อง บรรยายถึงว่าจะมีพระคุณยิ่งใหญ่เพียงใดท่านทลายที่ฟังเทศมหาชาติอยู่เป็นประจำในการกุมารและการมัดสีเราท่านทลายจะประจักษ์ในความรักความห่วงใยความเสียสละที่แม่มีต่อลูกมากพระนางมัดสี ตอนที่จะเข้าป่าแสวงหาผาลาผลไม้ด้วยความรักความห่วงใยลูกจึงนำกันหาชาลีมาเฝ้าฝากพระเวสสันดรทุกวันก่อนแต่จะเข้าป่าเพื่อแสวงหาผาลาผลไม้และโดยเฉพาะในคราวที่สำคัญที่พระนางฝันว่า มีชายผู้หนึ่งเติบโตดำล่ำสันนำดาบมาตัดแขนซ้ายขวาผ่าสวงล้วงควักอดวงตาดวงใจของนางไปนั้นพระไทยของพระนางไว้วันฝากลูกแล้วก็กลับหน้าสั่งกลับหลังสั่งภาวะพวังได้ความห่วงใยลูกใจที่พันผูกอยู่กับลูกว่าความฝันนี้ จะมีร้ายมีภัยแก่ลูกแก่ตัวแก่ผัวเป็นประการใดพระนางจิงเตือนกันหาชาลีว่ากันหาชาลีเมื่อคืนนี้แม่ฝันร้ายผิดประหลาดนะชาลีเจ้าอยู่หลังระวังน้องให้จงดีผิดชอบอย่าด่าตีกันนะฟังแม่ว่า แม่เข้าป่าครั้งนี้แม่ไปแต่ตัวแต่ว่าหัวใจของแม่ในยังอยู่ถ้าแม้นว่ากายของแม่สามารถแบ่งออกเป็นภาคภาคได้พอที่แม่จะแบ่งแม่ก็จะแบ่งแล้งออกไว้ภาคหนึ่งแม่จะไปอีกภาคหนึ่งแม่จะอยู่จะได้ประโลมเลี้ยงพระลูกรักทั้งคู่มิให้เดือดร้อนเครืองประทาย โอ้ความเข็นใจในครั้งนี้นี่เหลือขนาดเจ้าเกิดมากำรายญาต์ไร้พระประยุรวงศ์สาแต่จะได้เห็นหน้าพระมาณดาเล่าก็ไม่เต็มวันต่อเพลาสายัยนเย็นระยอยำนั่นแหละแม่จึงจะได้กลับเข้ามาอุปถัมถนอมเฉยให้ชื่นชูพอเช้าตรู่ก็รัดแม่เป็นกำรา้า จะมีใครเลี้ยงรักษาพระลูกเราเลี้ยงกันเองเถิดสินะเจ้าแต่พี่กับน้องเตือนลูกทั้งสองเป็นอันดีแล้วแม่มัดซีจึงสเสด็จ ก, กลับไปจัดขอเสียมกระเช้าสารสระ ข, ขานขึ้นใส่พระอังศาบททจาเข้าป่าเพื่อสแสวงหาะลาผลไม้มาดูแลลูกและเจ้าพระคุณผัวครั้นถึงกันมัดซี สแสวงหาผลาผลไม้ได้บ้างเล็กน้อยเพราะวันนั้นเกิดเหตุแปลกประหลาดมหัศักดิ์ธรรมชาติวิปริตแปรผันผลไม้เผือกมันก็หายากสุดที่มะม่วงมันมันลูกจันลิ้นจีน้อยหน่าสาลี่ละมุดพุทธาไม่มีให้เก็บบนกับบรรกอนนางรีบย้อนรีบกลับเคหา ขรันมาถึงขอบเขตพระคันธกุฎีก็ไม่พบกันหาชาลีเหมือนทุกวันพระนางจึงเสสังตามหาลูกสุดสายในยนาแล้วที่แม่จะตามไปเลงแลสุดฝีเท้าแล้วสุดพระสุรเสียงที่แม่จะร่าเรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยี้ยงย่องยกย่างลงเหยียบดิน เห็นสุดสิ้นสุดปัญญาสุดจะหาเห็นสุดคิดแต่ที่จะได้ผ่านประสบพกพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยบากก็บ่นเพ้อรำพันตามหาลูกชาลีกันหาแม่มาถึงแล้วเหตุชนไหนหญ่พระลูกแก้วจึงไมมารับแม่เล่าหลากแก่ใจ แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพรียงเจ้าเคยวิ่งรรรี่เรียงเคียงแข่งกันมารับธรรมาดาเคยแยมสวนสำรวนร่าระ ร, รื่นเริง ร, รีบรับเอาขอคานแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีก็จะรับเอาผลไม้แม่กันหาก็จะออนวันไหวจะเสวยนมบัดนี้ลูกรักทั้งคู่ไปไหนเสีย จ, จึงมีมารับเล่า ยกตัวอย่างมาเล่าให้ท่านทลายได้สะดับเพื่อเห็นถึงความรักความห่วงใยและความเสียสละในแต่ละวันที่พระมัิสีมีต่อกันหาชาลีอธิบายยาวไม่ได้หนึ่งเวลาเหลือน้อยสองอยากจะฟังโดยละเอียดมาฟังวันที่สิบหกตุลา วันปิดปัจชิมมนิเทศการอบรมพระนักเทศวันนั้นวัดของเราจะมีเทศมหาชาติตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้าสี่ธรรมาสบายสี่ธรรมาสวันนั้นจะเป็นรายละเอียดและพิสดารและจะได้ฟังเลวันนี้ มีแต่เล่าไม่มีแหล่ยกตัวอย่างให้ญาติโยมทั้งหลายได้สะดับรับฟังหัว อ, อกของแม่ทุกท่านทุกคนนั้นลูกจะกี่คนก็ไม่หวั่นไหวเลี้ยงได้แต่ที่แม่ไม่สบายใจระทมทุกข์ก็คือลูกประพฤินอกลู่นอกทาง ดังที่ท่านบอกว่าลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกหนักเท่าลูกรักประพฤตตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วรยำลูกดีก็เป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใส แม้ยากสนิทมิตรสหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสันเสริญจเจริญพรอัตมภาพเคยปรารบอยู่เนืองๆว่าบนหน้าแม่นั้นมักจะมีรอยปรากฏอยู่สองรอยแต่ต้องสังเกตให้ดีไม่สังเกตให้ดีจะไม่เห็น รอยที่ปรากฏอยู่บนหน้าแม่สองรอยรอยหนึ่งก็คือรอยชื้นอีกรอยหนึ่งก็คือรอยชำ้ำสองรอยนี้แหละจะปรากฏอยู่เป็นประจำถ้าลูกดีรอยชื้นก็ไปปรากฏบนหน้าแม่เรียกว่าหน้าชื้นพอหน้าชื้นตาก็บานเนี่ยหน้าชื้นตาบาน แต่ถ้าลูกไม่ดีสังคมโจมตีผู้คนรังเกียจรอยช้ำก็ไปปรากฏบนหน้าแม่เขาเรียกว่าน่าชำ้ำพอหน้าชำ้ำตาก็บวมหน้าชำ้ำตาบวมเสียใจในความเป็นไปของลูกเพราะนั้น ท่านจึงบอกว่าลูกคนใดทำให้รอยช้ำเกิดผุดขึ้นบนหน้าแม่นั่นแหละเป็นตราบาปสำคัญที่จะต้องจารึกและสังคมประนามเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหัดหรือบรรพจิตจึงต้องพยายามสร้างรอยชื่น ให้เกิดบนหน้าแม่หรือหน้าพ่อให้ได้วันสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกทุกคนก็มีอยู่สองวันคือวันพ่อกับวันแม่ในห่วงของวันแม่นี้ลูกแก้วลูกขวัญลูกกัตันยูจะต้องทำอะไรบ้างเราทุกคนมีแม่ ที่สำคัญหนึ่งแม่แห่งชีวิตคือแม่บังเกิดเกล้าของเราสองแม่แห่งชาติคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นแม่ของชาวไทยทุกคนแม่แห่งธรรมชาติแม่ที่เราได้อาศัยไม่ว่าจะเป็น แม่พระธรณีไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเราท่านทลายจะต้องพิทักษ์รักษาไม่ทำลายแม่และก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในวันแม่นี้อย่าลืมว่าแม่คือทิศเบื้องหนา้าบุคคลหาได้ยากปุพภาพกาลีและปูชนียบุคคลของลู ก, ลก เราทุกท่านทุกคนจะขาดแม่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีชีวิตไม่มีเราแม่จึงสำคัญมากให้ของขวัญวันแม่นับแต่นี้ด้วยทำดีดต่อคุณแม่ก่อนแก่เท่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา แล้วก็เฝ้าทำบุญให้เมื่อวายปรานได้ชื่อว่าเป็นลูกแก้วลูกฝันลูกกตัญญูสิบสองสิงหามหาราชินีชาวไทยรู้ดีว่าเป็นวันแม่มวลประชาปากันเซ็งแท่บูชาพระแม่ของพวกเรา ไทยทั้งประเทศทุกเขตคามตกแต่งอารามประดับเรือนเย้าทงทีวปลิวสวัยทั่วถิ่นไทยเราพระสงฆ์องค์เจ้าถวายพระพรหน่วยราชการชาวบ้านพ่อค้าพร้อมใจบูชาด้วยอนุสรร์สำนึกพระคุณการณอาทรดับ ทุกขลายร้อนแก่ชาวประชาเย็นสีระเพราะพระบริบาลทุกที่สถานใกล้ไกลไม่ว่าถวยราชทุกเข็นไม่เป็นสุขาพระเสด็จทุกขารเดือดร้อนคลายหน้าฝนหน้าแลงน้ำแห้งหรือท่วมพระทรงรวบรวมสิ่งของมากหลาย บำบัดบรรเทาทุกเศร้าใจกายพระคุณยิ่งใหญ่กว่าธรณินท่านทหลายเมื่อปีพุทธศักราช2515คือเมื่อ44ปี42ปีที่ผ่านมามีนายทหารท่านหนึ่ง ซึ่งเดินทางไปศึกษาวิชาการทหารอยู่ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอราประเทศออสเตรเลียเมื่อถึงวันแม่อยากจะมากราบแม่คิดถึงแม่รักแม่แต่ก็กลับไม่ได้ เพราะติดการศึกษาจึงได้เขียนจดหมายส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงแม่ในวันแม่ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงข้นหนึ่งหา พระคุณแม่มากล้นเหลือขนานาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิต จ, จำขึ้นใจในพระนามชมว่างงามเพลิดพริงยอดหญิงไทย แม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่ไว้วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจั ก, กรีวงจะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์ การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจางหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดี ชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอยท่านถลายจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายพิเศษ ที่ลูกเขียนความในใจมาถวายแม่คำว่าชายในที่นี้คือเจ้าฟ้าชายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพณนิพนพจดหมายถึงสมเด็จแม่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะฏ จดหมายฉบับนี้เป็นโอสถวิเศษทำให้พระแม่เจ้าของเราชาวไทยชื่นพระไทยยกตัวอย่างให้ท่านทลายได้สดับว่าลูกที่ดีต้องนึกถึงความรู้สึกของแม่โดยเฉพาะท่านทลายฟังแล้วก็จะประจักษ ธรรมะจากเจ้าฟ้าชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ดีลูกกตัญยูรู้ว่าแม่รักแต่ถ้าคนอกตัญยูแม่รักชายห่วงชายชายไม่รู้แม่จะนึกยังไงแล้วก็บอกถึงความเป็นไป ในการศึกษาการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกประการนี่แหละท่านทหลายเป็นจดหมายพิเศษเป็นโอสถวิเศษดังที่ได้เล่ามาโดยสังเขปเพราะฉะนั้นวันที่สิบสองสิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติมาถึงอาตมาภาพก็นึกถึง ทั้งโยมแม่ที่ให้เกิดโยมแม่ที่มีอุปการะญาติโยมที่เป็นพุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตจตุปัจจใยแม้จะไม่ได้คุ้นเคยสนิทสนมในฐานะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ได้มีอุปการะก็เป็นแม่ ที่ได้มีอุปการะคุณนึกถึงแม่จึงนำเรื่องแม่มาแสดงต่อท่านทั้งหลายในวันนี้และเพื่อให้เข้ากับมงคลสมัยวันแม่แห่งชาติก่อนแต่ที่จะได้อนุโมทนายถาสัพพีขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายพระพรชัยมงคล ให้พระแม่เจ้าของเราชาวไทยได้ส่งพร ะ, กะเกษมสำราญทั้งพระวรากายและพระราชาชรไทยสถิตเป็นพระร่มโพทองของพระสกนิกรชาวไทยเป็นเจรัญธิติการอาตมภาพจะกล่าวนำขอทุกท่านว่าตามดังดังประนมมือขึ้นนะ ที่กายุกาโหตุมหาราชินี ข, าานขอพระบรมีปกเกษาท ร, รกกางพระเจริญพระชนม า, นนมายุการเกินกว่าร้อยขวบปี รัตนตยานุภาเวณะไตรรัต น, ตนะทั้งสามนี้เอกุศลคุณความดีอมดขอจงมีตบะเดชาดนบรรดาลให้เทพไทย พระแม่สถิตไหนโปรดตามรักษ า, ส, า, กษาสันพภัยทุกข้ายโรคาอย่าได้บีทาพระแม่ไท ย, ไทยขอพระแม่เจ้าทรงพระสําราญ พระไทยเบิกบานพระพักผ่องใสงใ ส, สมดังปวงฆ่าถวายพระพรชั ย, นชยในานมามชาวไทยผู้จงรักพักดีขอจงทรงพระเจริ ญ, รรรญขอถวายพระพร จบเสียนกล้าวขึ้นเป็นอันว่าอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในมาตุคุณกถาพันน า, นาถึงพระคุณของมาดาปรารพในวันธรรมวันะและมงคลนสมัยคล้ายวันแม่สิบสองสิงหามหาราชินี ได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนี